วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้รับโอกาสจากหลวงพ่อให้ได้มาเทศให้ทุกท่านได้ฟังธรรมภาพก็มาฝึกหัดภาวนากับหลวงพ่อนั่นตั้งแต่แนู่นแหละปีส9 5 0นยู่นแหละทำไมถึงจะมาหัดปฏิบัติภาวนาก็เพราะว่า ภาวนานี้มันเป็นเรื่องของใจถ้าเป็นเรื่องของใจสุขทุกข์มันก็เป็นเรื่องของใจเราจะบอกว่าสุขทุกข์ทางร่างกายก็ส่วนหนึ่งแต่สุขทุกข์ที่มันเป็นใหญ่เป็นประธานก็เป็นสุขทุกข์ของใจซึ่งถ้าเรามีความสุขใจมากแต่เราอาจจะมีทุกข์ทางกายปวดแข้งปวดขา อยู่บ้างมันก็พออดทนไปได้แต่ถ้าเกิดเรามีความหงุดหงิดฟุ้งซ่านมีความที่ใจมันกระสับกระส่ายวุ่นวายเร่าร้อนถึงจะกินอิ่มก็ตามนอนหลับดีก็ตามเราก็จะรู้สึกได้ว่าความสุขของเราเนี่ยมันน้อยพระพุทเจ้าก็เป็นต้น ต้นแบบต้นฉบับของผู้ที่นำเสนอการแก้ทุกข์ทางใจพอมันเป็นเรื่องของใจก็จึงต้องมาฝึกหัดจิตใจแต่จิตใจเนี่ยมันเป็นนามธรรมจะจับเหมือนเราเลีเ้ยงเด็กก็คงจะจับมาอยู่ในห้องห้องเรียนให้ศึกษามันก็จะยาก แต่การที่เราจะจับใจซึ่งเป็นนามธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็นำเสนอเอาไว้ตั้ง40แบบซึ่งพวกเราก็ได้กำลังฝึกหัดกันที่การที่เรามานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสติ เปลี่ยนมันเป็นคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในกรรมฐานหลายๆวิธีที่พรนะพุทธเจ้าน่ได้ทรงแสดงเอาไว้ว่พูดถึงพุโทโธนะพุโทโธก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบาน คุณสมบัติของพุโทโธเราก็ทาให้เกิดขึ้นในใจทาได้จากการที่เรามานั่งฝึกหัดภาวนาจิตใจแบบนี้แหละการที่เรานึกถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปบ่อยจากใจที่เคยฟุ้งซ่านไปเรื่องนั้นเรื่องนี้จากที่ใจเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยเปื่อย เราคิดไปก็ไปรับอารมณ์จากเรื่องที่เราคิดด้วยซึ่งมันก็เป็นอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้เป็นอารมณ์ที่ส่วนมากทำให้ใจเราหิวเราร้อนอยากในอารมณ์มากขึ้นไปอีกน้าซ้ำมีความหดหู่มีความเศร้าหมองเพิ่มเข้าไปอีกซึ่งทันที่เรานึกถึง พระพุทธเจ้าโดยการตั้งจิตตั้งใจเอาไว้จับใจของเราเอาไว้ไม่ให้มันหนีไปไหนไม่ให้มันหนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยการที่อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ก็เป็นการที่ทําให้ใจของเราเนี่ยมันไม่ไม่วุ่นวายอยู่กับพุทโธมันดียังไง อยู่กับพุโทโธก็ดีเพราะว่าการที่เรานึกถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่ใจของเราก็ปราศจากหรือห่างไกลจากโลภะโทสะโมหะกราคะเป็นใจที่มีคุณสมบัติของใจที่ดีเวลาที่คนเรามีความสุขใจคุณสมบัติของใจที่มันมีความสุขเนี่ยคือใจที่มันไม่เร่าร้อน แล้วใจของเรามันเราร้อนจากไหนมันก็เราร้อนจากโลภะโทสะโมหะราคะนี่แหละเวลาที่เราอยากได้อะไรมากๆมันก็เป็นไฟเผาจิตใจเราหรือเราโกรธเคืองโกรธแค้นบุกพยาบาทใครอย่างี้มันก็เราร้อนที่จิตใจใช่มแต่ถ้าเราสลัดออกจากเรื่องเหล่านั้นมาอยู่ ให้ใจเนี่ยมันอยู่แนบแน่นอยู่กับพุทโธได้ใจของเราก็ได้หลีกไกลออกจากโลภะโทสะโมหะราาักะมันก็เป็นการปรับสภาพจิตใจให้จิตใจเราเนี่ยมีสภาพจิตใจที่มันดีขึ้นจะบอกว่าเป็นการทำความสะอาดจิตใจก็ได้ แต่สำหรับคนที่อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วเนี่ยมันไม่สบายสักทีหนึ่งมันก็ต้องคอยสำรวจสัหน่อยหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเราอยู่กับการงานของเราเนี่ยเราอยู่ได้อย่างดีอยู่ได้อย่างเรียบร้อยอยู่ได้อย่างถูกต้องมากน้อยแค่ไหน ถ้าเราอยู่ได้อย่างดีอยู่ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนเนี่ยมันก็ได้รับผลที่ดีทำใดเกิดแต่เหตุมันก็มีผลของเหตุที่เราทํนั่นแหละซึ่งถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันตรงกับเหตุที่ได้ผลดีเราไม่ต้องไปคำนึงถึงผลแหละผลที่ได้เนี่ยมันดีแน่นอนแต่การที่ เ, เรา นึกถึงพุทธโธมาอยู่กับคำบริกรรมแต่ใจเราไม่ได้อยู่นะบางคนบางคนใจก็ไปอยู่กับผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใจเราจะสงบสักทีหนึ่งเมื่อไหร่ใจเราจะเป็นสมาธิสักทีอันนี้ใจมันไม่ได้อยู่กับพุทธโธอันนี้ใจมันไปอยู่กับความอยากมันไปอยู่กับผล แต่สิ่งที่เราต้องตั้งหน้าตั้งตาทำก็คือเอาใจย้อนกลับมาไว้ที่เหตุคือคำบริกรรมพุทโธความอยากอยากในผลให้มันได้ดีสักทีหนึ่งอเงี้ยมันจะเป็นไฟเผาใจเราอยู่เรื่อยใจเราก็จะไม่สงบประงับสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ทำเรื่อยๆไปเราเชื่อมั่นว่าเหตุดี ผลที่ได้มันต้องดีแน่นอนพระพุทธเจ้าก็เป็นต้นแบบเป็นคนที่การันตีให้เราได้คนแรกแต่สิ่งที่มันดีกว่านั้นก็คือก็มีเหล่าสาวกของพระพุทธองค์เหล่าครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนี้ที่เป็นคนยืนยันผลที่ว่ามั่นใจทำแล้วมันดีแน่นอน อยู่กับพุโทโธแล้วใจมันสงบประงับใจมันเบาสบายปลอดโปร่งห่างไกลจากไฟที่เรียกว่าโลภคิโทุศัขิโมหคิเหล่านี้พอพูดถึงไฟแล้วก็นึกถึงวันที่มาภาวนากับหลวงพ่อวันแรกเหมือนกันคนมันเป็นคนที่แบกไฟไว้อยู่แบกไฟไว้อยู่ในใจ อยากดีอยากสงบ ก, ก็ตั้งหน้าตั้งตาแบกไฟมาด้วยด้วยความเมตตาหลวงพ่อแหละแหละมาก็กราบท่านสัหน่อยหนึ่งี่กุติอย่าไม่ทันจะเก็บข้าวข้าเก็บของนั่นแหละท่านก็อามามะนั่งสมาธินั่งสมา ธ, มธิพอทําไม่ได้สักพักหนึ่งสักหน่อยหนึ่ง เวลาใจที่มันสงบใจที่มันสบายใจที่มันปล่อยวางได้เนี่ยมันก็เย็นเย็นอยู่ในหัวโอกเรานั่นแหละเย็นอยู่ในใจเรานั่นแหละใจมันเย็นสบายเป็นความสุขที่เอาเงินมาซื้อหาไม่ได้เป็นความสุขที่มันมันต้องทำเอง แต่การที่เราทำเองเนี่ยมันก็ต้องเป็นการลงทุนนะลงทุนหลายๆอย่างอย่างทุกท่านที่มาในวันนี้ก็ลงทุนเวลาลงทุนเวลาดีๆให้กับตัวเอง7วันที่เราได้ลงทุนไปเนี่ยมันไม่เสียเปล่าหรอกวันเนี่ยมันจะได้เอาไปใช้ต่อเนื่องในชีวิตของเรา ตอนนี้เรามาอยู่ในคอสอบรมคอสที่จะฝึกนี่แหละฝึกเพื่อที่จะเอาทักษะทักษะทำความสงบใจทำยังไงให้ความสงบใจเกิดขึ้นแต่แน่นอนแหละมันก็มีแพทเทิร์นอยู่โดยการที่เรามาอยู่กับพุทโทก็ดีมันก็ไม่ได้ทำอะไรยากหรอกถ้าทำอะไรยากๆพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอน ครูบาอาจารย์นั้นก็ไม่สอนแต่สิ่งที่เราต้องลงทุนกับการที่เราได้วิธีที่ง่ายมาแล้วเนี่ยคือความอดทนความเพียรความตั้งใจต้องลงทุนนะโดยการเราใช้ความเพียรความตั้งใจมีความอดทนนี่แหละซึ่งถ้าจะบอกว่า เรามานั่งหัดสมาธิหัสมาธิเนี่ยอาจจะต้องพูดให้มันถูกตรงขึ้นอีกสักหน่อยจริงๆแล้วเรามาหัดสติหัดสติหัดเครื่องะระลึกของเราให้ใจของเรามีเครื่องะระลึกอันใหม่ที่ชื่อว่าพุทธโธให้ใจของเราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านไป ไม่ไประลึกถึงอดีตไม่ไประลึกถึงอนาคตไม่ไประลึกถึงเรื่องทางการไม่ไประลึกถึงเรื่องทางพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ให้มาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้มาระลึกนึกถึงพุทโธฝึกนิสัยฝึกนิสัยให้ใจใหม่ร้อยวันพันวันเนี่ยใจของเราเนี่ยระลึกถึงเรื่องอะไรบ้าง สัดส่วนในเรื่องที่เราะระลึกเนี่ยมันเป็นกุศลทำให้เราหลีกออกจากกามได้มากน้อยแค่ไหนแต่จะพูดร้อยวันพันวันเนี่ยพูดเยอะไปหน่อยเอาแค่หนึ่งวันเท่านั้นแหละในหนึ่งวันของเราเนี่ยสิ่งที่เราะระลึกสิ่งที่เราคิดมันเป็นไปเพื่อแบบไหนกันมันเป็นไปเพื่อความไดย เป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดไหมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพพานหรือเปล่าดูแล้วมันก็จะเยอะๆนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตีกรอบเอาไว้ให้นิดหน่อยสําหรับความคิดก็คือเราคิดสํารวจความคิดของเราเนี่ย เป็นไปเพื่อออกจากกรรมไหมเป็นไปเพื่อที่จะไม่พยาบาทปิดเบียนไหมมันก็อยู่เราเ่านี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับพุทโธได้เนี่ยใจเรามันก็ไม่ไม่คิดพยาบาทใครไม่คิดเปยดเบียนใครแล้วก็เป็นการที่ใจเราได้หลีกออกจากกรรมได้คิดออกจากกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของเรามันก็อยู่ในองค์ ในทางทางแห่งความดีที่ผู้เช้าท่านตีกรอบเอาไว้พราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคำนึงถึงผลอะไรเท่าไหร่เรามาสำรวจสำรวจวิธีการของเรากับการลงทุนของเราเนี่ยแหละว่าเราลงทุนมันเนี่ยสมค่าสมเหตุสมผลกับการที่เราหวังผลหรือไม่ ถ้าเราหวังผลเลิอหวังผลใหญ่หวังผลดีจะลงทุนแบบห้าบาทสิบบาทเงี้ยมันไม่ไม่สมกันแต่ถ้าเกิดเราตั้งหน้าตั้งตาธรรมสำรวจดูใจของเรามันหนีไปคิดเราก็ดึงกลับมาไว้ที่พุโทโธมันหนีไปคิดเราก็ไม่ปล่อยส่งใจตามไป ไม่ปล่อยให้มันเผลอเพลินไปกับความคิดนั้นๆแล้วเราก็ดึงกลับมาไว้ที่พุทโธอยู่เราทําได้บ่อยไหมการที่เราเห็นเห็นว่ามันหนีไปบ่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราแย่นะมันก็เป็นการดียิ่งเราเห็นว่ามันหนีได้บ่อยๆเนี่ยมันมีพัฒนาการอยู่แล้ว จากคนที่ไม่เคยเห็นได้มาเห็นเนี่ยมันต้องดีอยู่แล้วเหมือนสีขาวกับสีดำะนะถ้าเกิดว่ามันมีสีดำอยู่บ้างเราเติมสีดำไปอีกหน่อยหนึ่งบางทีมันอาจจะสังเกตไม่เห็นแต่ถ้าเกิดมันเป็นสีขาวนะเติมจุดดำๆน้อยๆลงไปเนี่ยมันก็สังเกตได้ง่าย ชั้นใดชั้นนั้นเนี่ยจิตของเราที่เราไม่เคยดูไม่เคยเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่วันนี้เนี่ยเราได้มาเริ่มต้นที่จะเฝ้าดูเฝ้ารู้สังเกตอย่างจริงจังมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ที่เราจะเห็นโอยมันจับไม่ได้มันไม่อยู่กับที่สักทีหนึ่ง ในเรื่องธรรมดากว่าทีา่คนเราเนี่ยจะเดินได้เนี่ยมันก็ต้องคลานก่อนใช่ัหมพอคลานแล้วไงคลานคล่องแล้วก็หัดยืนหัดยืนแล้วไงหัดยืนก็หัดเดินเดินได้ก็หัดวิ่งชั้นใดก็ชั้นนั้นมันก็ต้องค่อยๆเป็นไปตามความเพียรที่เราใส่ลงไป แต่ถ้าเกิดเด็กไม่หัดคลานเลยมันก็คลานไม่ได้ไม่หัดยืนมันก็ยืนไม่เป็นไม่หัดเดินมันก็เดินไม่ได้ฉันใดฉันนั้นแต่สิ่งที่เด็กได้เปรียบนะเด็กได้เปรียบกว่าผู้ใหญ่ก็ตรงที่ว่าเขาทำโดยที่เขาไม่ได้คาดหวังว่าวันนี้พรุ่งนี้หรือมรืนนี้เราจะต้องเดินได้วิ่งได้ในทันที แต่ใจเขาก็อยู่กับอะไรอยู่กับการที่เขาได้ได้สนุกในการที่จะยืนได้สนุกในการที่เขาจะเดินได้สนุกกับวิธีการนี่แหละได้ฝึกได้หัดมีความสุขที่ได้ทำเพราะฉะนั้นพอมันมีความเพลินมีความสุขที่ได้ทำความดีเนะี่ยมันก็ พัฒนาการมันก็มีแน่นอนการเข้าสมาธิการฝึกสติมันก็เหมือนกันมันก็ต้องมีพัฒนาการน่ถ้าเราชั่วโมงบินน้อยเราเห็นคนชั่วโมงบินเยอะเราก็เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเขาอันนี้ก็ไม่ถูกมันเป็นของใครของมันนะของใครของมันเรามีหน้าที่ว่า สำรวจตัวเองให้ดีว่ายังอยู่ในแนวทางอยู่ในเส้นทางของความดีอยู่หรือเปล่ามันมีตัวไหนที่มาล่อหลอกให้เราหลุดออกจากทางของความดีอันนี้หรือเปล่าความอยากมันขโมยใจหนีของเราไปไหมให้ใจของเราหนีไปอยู่กับความอยากหรือเปล่า ให้ใจเราหนีไปอยู่กับผลหรือเปล่าอันนี้ก็พูดให้สำหรับคนที่ยังต้องตั้งหน้าตั้งตาทำความสงบแต่สำหรับคนที่มีชั่วโมงบินมาดีแล้วเข้าคอร์สหลายครั้งแล้วเนี่ยก็คงจะเข้าใจแหละว่าความสงบมันมันมันดียังไง พอเข้าใจว่ามันดียังไงเนี่ยความมีแก่ใจที่เราจะทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆมันก็มันมาเองแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าการที่เรามาฝึกที่เรียก ว, ว่าอยู่กับคาบริกรรมพุทโธเนี่ยเราก็ต้องไม่ใช่ว่าทําส่งเดชส่งเดชไปเรื่อยๆนะเราก็ต้องคอยหมั่นตรวจสอบผลด้วยว่า ผลที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงคุณสมบัติของพุโทโธมันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วหรือยังใจของเรามันรู้ตื่นแล้วก็เบิดบานหรือยังมันสำคัญตรงนะตรงสตินี่แหละสติของเราต้องเป็นสติที่แจ่มชัดมีกำลังไม่แช่เชื้อเลือนหลงไป ัการที่เราคอยประคองสติให้มันแจ่มชัดรู้ชัดไม่เซื่องซึมหลงเข้าพวังนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญจะบอกว่าเข้าพวังไม่ดีมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็ดีอยู่ระดับหนึ่งมันได้พักผ่อนแต่การที่เราอยากจะพัฒนาตนเองพัฒนาจิตใจของตนเองให้มันดียิ่งๆิ่งขึ้นไปเนี่ยสติที่มันรู้สติที่มันรู้ชัด สติที่มันว่องไวมันจำเป็นเพราะฉะนั้นเราฝึกแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราด้วยแต่การที่เราเข้าสมาธิโดยการนึกถึงพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วเข้าผวางไปเนี่ยมันก็แสดงว่ามันเริ่มขี้เกียจแล้ว มันพักพอแล้วพักพอจนเกินไปแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือเอามันมาทำงานบ้างใจมันมีหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับอารมณ์อารมณ์ที่มันสงบแล้วอารมณ์ที่มันสบายแล้วอารมณ์ที่มันเป็นกลางกลางตั้งมั่นอยู่อย่างนี้เราสังเกตใจของเราให้ดีๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่า ใจของเราเนี่ยมันมีอารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยมีเรื่องที่มากระทบใจในแบบที่ทําให้ขาดเครืองใจเราก็เปลี่ยนไปแบบหนึ่งมีเรื่องที่มันน่ายินดีพอใจมากระทบใจก็อารมณ์ในใจเราก็เปลี่ยนไปแบบหนึ่งตอนที่ใจเราอยู่กับพุทโธโดยไม่ได้ใส่ใจเรื่องอื่นๆมันก็มีอารมณ์ เป็นกลางๆเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าสงบระงับจากอารมณ์อื่นๆนั่นแหละมาอยู่กลางๆอย่างนี้ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้แต่เราอย่าเอาสิ่งที่เราได้ดีแล้วเนะี่ยพักไว้แค่นี้หยุดไว้แค่นี้เราเรารู้จักทําความสงบแล้วใจเรามีความเป็นกลางตั้งมั่นแล้วเอามันมาทํางาน งานงานในาศาสนานี้เนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรมากมันก็ทำเกี่ยวเนื่องกับตัวเรานี่แหละก็มาคอยดูคอยดูคอยรู้เฝ้าดูพิจารณาตัวเรานี่แหละดูให้มันรู้คนเรามันก็ มีหลายอย่างมากกว่าที่เราเห็นแต่ตอนที่เราดูมันก็ไม่ใช่ดูที่ความคิดเป็นอย่างเดียวแต่เอาอารมณ์ในใจอารมณ์สงบในใจของเราตรองไปด้วยตรองตามความคิดพิจารณาไปด้วย แต่ก่อนที่จะพิจารณาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่อยากจะย้ำก็คือสติสติที่แจ่มชัดรู้ชัดไม่แช่เชื้อเลือนหลงไปไหนเพราะฉะนั้นใครที่สติมันไม่แจ่มชัดมันไม่รู้ชัดเนี่ยเราก็ดึงลมหายใจสักหน่อยหนึ่ง เราก็จะมีสติที่มันแจ่มชัดขึ้นพอมีสติที่แจ่มชัดขึ้นแล้วเนี่ยที่นี้ก็ประคองไว้ประคองไว้ตั้งเอาไว้แล้วก็ย้อนกลับมาไว้พิจารณาถึงร่างกายของเรานี่แหละเพราะมันเป็นของที่ควรค่ากับการ ยินดียึดถือหรือเปล่าเอาของของเรามาตั้งเอาไว้ก็ได้เอาคนที่เรารักมาตั้งไว้ด้วยคู่กันก็ได้เอาคนที่เรามีความยึดติดผูกยึดยินดีอยากจะอยู่ด้วยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่กับคนนี้แล้วมีความสุข เอามาตั้งคู่กันไว้ถ้าเราตั้งเอาไว้อย่างนี้สักร้อยปียมันดูมันไปเห็นแน่นอนเน่เห็นอะไรเห็นถึงความแก่เป็นธรรมดามันก็ผมขาวไปเรื่อยผิวหนังมันก็เหี่ยวไปเรื่อยฟันที่ดีมันก็หล่นไป คิดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะอยากจะย้ำว่าเอาใจเอาความรู้สึกในใจของเราเนี่ยตรองตามความคิดไปพอเราเปิดเนื้อเปิดหนังออกมาเนี่ก็เจออะไรเจอเนื้อแดงๆนี่แหละจากคนที่สวยจากคนที่หล่อเหลา พอเราถลกหนังออกมาแล้วเนี่ยเราลองถามใจตัวเราดูว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมไอความสวยความงามความดีมันยังมีอยู่ตั้งอยู่กับคนคนนั้นหรือเปล่าทีนี้เอาหนังกลับเข้าไปใหม่ หนังกลับเข้าไปใหม่ความรู้สึกในใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมอามันกลับกลายเป็นว่าดูดีขึ้นมานะพอหนังออกปุ๊บ ก, กลายเป็นว่าความรู้สึกน่ายินดีพอใจก็ลดน้อยลงไปทั้งทั้งที่ก็เป็นคนเดิมนั่นแหละหนังมันก็ไม่ได้ออกไปไหนมันก็กองอยู่ตรง ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่ความที่เราเห็นแล้วความรู้สึกในใจอารมณ์ในใจของเราเปลี่ยนไปทั้งๆที่เป็นคนเดิมคนที่เรายินดีพอใจอยากจะอยู่ด้วยทําไมมันถึงเปลี่ยนไปก็ต้องหัดคุยหัดคุยกับตัวเองหัดตั้งคําถามกับตัวเอง ซึ่งจะปล่อยไว้นี่มันขึ้นอืดขึ้นพองมันยิ่งแสดงถึงความเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งโสโครกมากมายเลยถ้าเราจะเข้าไปอยู่ใกล้ไปนั่งแนบชิดอยู่ก็คงไม่อยากไปแค่คิดเนี่ยมันยังไม่ได้กลิ่นด้วย ถ้าใครไปได้มีโอกาสไปงานศพเขาเผาศพจะรู้เลยว่ามันเหม็นเหม็นมากนะเราก็จะเห็นได้ว่าเราก็ไม่อยากเข้าไปนะไรความสวยความหล่อมันอยู่ตรงไหนแหละจะบอกว่าอยู่ที่ผิวหนังเนะ่รเราาหนังมาแขวนไหมมันก็ไม่ได้สวยไม่ได้ดีไม่ได้งามอะไร มันมีตัวหนึ่งนั่นแหละที่มันเข้าใจเสกสรรบ้นแต่งไปเองมากอันนี้ดีอันนี้ใช่อันนี้ถูกหาเจอไหมตัวนั้นอนะ่ะหาตัวที่มันเข้าใจผิดเจอไหมหาให้มันเจอสอนมันบ่อยๆ กายเขาเป็นอย่างไรกายเราก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละกายเราเป็นอย่างไงกายเขาก็เป็นอย่างนั้นมันมีความเสมอกันตรงที่เป็นของไม่สะอาดตั้งทิ้งไว้ดํารงทิ้งไว้ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันเนี่ยมันก็จะโชว์ความเป็นธรรมชาติของมันคือความไม่สะอาดออกมาให้เราได้เห็น ซึ่งไอ้ที่เราว่าดีดูดีเนี่ยมันก็เต็มที่ไม่เกินร้อยปีหรอกร้อยปีมันก็ตายหมดทุกคนนั่นแหละเต็มที่นะไม่เกินนี้เราก็ไม่สามารถที่จะดำรงมันไว้ให้มันเป็นอยู่อย่างนี้โดยไม่เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นถ้าใจเราเนี่ย ได้รับการอบรมแบบนี้อยู่บ่อยๆได้รับการอบรมถึงความจริงให้ความจริงเนี่ยมันซาบซึ้งลงไปในใจของเราได้บ่อยๆแบบนี้นะสิ่งหนึ่งที่มันได้ขึ้นมาก็คือความเข้าใจที่ใจนี่แหละความเข้าใจที่เราจะเห็นได้ว่าการที่ใจเราไม่ย้อนแย้งไม่ทวนกระแส กับความเป็นจริงเนี่ยชีวิตเรามีความสุขง่ายแต่ถ้าใจเนะี่ยดวงไหนที่มีความคิดมีความเห็นที่มันย้อนแย้งกับความเป็นจริงสวนทางกับความเป็นจริงใจดวงนั้นก็ทุกข์ง่ายมีความสุขยากอย่างคนรักที่เราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องสักวันหนึ่งก็ต้องถึงความพลัดพรากจากไปเป็นธรรมดาแน่นอนแต่การที่เราใจเราที่ไม่ได้รับการอบรมให้เข้าถึงความเป็นจริงให้เข้าถึงธรรมชาติของความเป็นจริงมันก็จะมีความไม่เข้าใจ พอสิ่งหนึ่งมีความรักเกิดขึ้นความรักมันมีอานาจต่อใจอยังไงก็ทำให้เราผูกติดผูกยึดอยากจะอยู่ด้วยนานๆอยากจะอยู่ด้วยห้ามที่จะพัดพรากจากกันไปไหนแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมซึ่งถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องพัดพรากจากกันไป อย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยปัจจุบันทันด่วนตายจากกันไปไม่ได้ทำใจไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีใจที่ไม่ได้อบรมถึงความเป็นจริงเอาไว้ไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นจริงเอาไว้ในความผูกยึด ที่มาจากความไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็เล่นงานเราเต็มที่เลยเพราะว่าเรารักเราก็ไม่อยากจากกันแต่พอมันต้องจากกันเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้มันก็ทุกข์ใจทุกข์ใจแต่ถ้าในกรณีของคนที่ได้รับการฝึกอบรมจิตใจดีแล้วเนี่ยเขาก็จะมี มีขั้นตอนที่เขาจะรักษาใจตนเองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถึงจะยังไม่ปล่อยวางถึงจะยังไม่ได้คล้อยตามเข้าใจถึงตามความเป็นจริงเต็มที่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาจะมีเครื่องอยู่ให้ใจเครื่องอยู่ที่อยู่แล้วเนี่ยทำให้ใจของเขาเนี่ยไม่วุ่นวาย ไม่รอ้องรนไม่โดนดึงออกไปทางความคิดความคิดที่มันจะคอยปรุงแต่งํำร้ายจิตใจตัวเองเขาไมไ่น่าจากเราไปเลยเขาไม่ถึงวัยสมควรที่เขาจะต้องตายเหล่านีน้เป็นต้นซึ่งถ้าเราปล่อยไปตามความคิดสระตาแบบนี้เนี่ยมันทุกข์มากแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับการฝึกอบรมจิตใจ มีเครื่องอยู่อย่างน้อยเนี่ยอยู่กับพุทธโธให้พุทธโธรักษาใจมันไม่ใช่ไม่เศร้าหรอกมันก็ทุกข์อยู่ แ, ลแหละแต่ทุกข์สมควรแก่เหตุความพลัดพรากมาเมื่อไหร่มันก็มีความเศร้าใจอยู่ตรงนั้นแต่การที่เราได้รักษาใจอยู่กับพุทธโธเอาไว้ด้วยเนยมันไม่เศร้ามากความทุกข์มันไม่กุ้มรุมมากจนเกินไปรู้จักที่จะ ยับยังความคิดที่มันจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ได้รู้จักที่จะสลัดออกจากความคิดหรือเหตุต่างๆของความทุกข์ให้ใจมีเครื่องอยู่ที่อย่างน้อยๆได้พักใจแต่ถ้าเกิดบุคคลที่ได้รับการอบรมพิจารณาอย่างดีใจเขาก็จะเป็นกลางได้ดีขึ้น เร็วขึ้นจากการที่เขาได้นำธรรมะทั้งหมดทั้งมวลที่เขาได้สั่งสมมาเนี่ยมาใช้เราพิจารณาดีแล้วเนี่ยซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าคนเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาสอนมันทุกวันซ้าแล้วซ้าเล่าอยู่อย่างนี้พอเป็น วันหนึ่งที่เราจะต้องนำความรู้เหล่านี้มาใช้เนี่ยมันก็มีพลังที่เราจะนำมาใช้ต่อต้านกับความทุกข์เพราะฉะนั้นมันสำคัญนะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าธรรมะไม่ดีแต่บางครั้งเนี่ยเรามีมีไม่พอใช้มีแล้วมีไม่พอใช้ เรามีหน้าที่ที่จะต้องสั่งสมไปเรื่อยๆสั่งสมไปสั่งสมไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนคนที่จะจับใจใช้สอยเนี่ยถ้าไม่มีสตุ้งสตังเนี่มันก็ซื้ออะไรไม่ได้แต่คนที่ทำงานเก็บเงินเก็บหอมรอมริบมีเงินเก็บทุกวันทุกวันที่นี่อยากจะซื้ออะไรก็ดู ดูในกระเป๋าตัวเองมีตังค์เท่าไหร่ถ้าเกิดตังค์มันพอจ่ายาก็ซื้อได้ฉันได้ฉันนั้นน่ธรรมะก็เป็นเรื่องของการสั่งสมเหมือนกันเราบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเข้าสมาธิ5นาทีสินาทีแล้วเราจะมีทักษะพอที่จะเอาไปสู้กับพยามาอย่างเงี้ยมันก็ มันมวยคนละชั้นเนี่ยถ้าเราสั่งสมทุกวันฝึกสติในระหว่างวันทุกวันทำการงานหาอยู่หากินเนี่ยเราก็ไม่ปราศจากสติงานภายนอกก็ทำไปงานภายในคือฝึกสติที่รักษาใจเราก็ทำควบคู่กันไปได้อันนี้มันจะทำให้ เราได้ได้พัฒนากาลังของธรรมะในใจของเราไปด้วยธรรมะนี่มันไม่ได้มีแค่ห้านาทีสิบนาทีก่อนนอนหรือว่าหลังตื่นนอนตอนเช้ามานั่งทาอย่างนั้นมันดีอยู่แล้วละ่ะเป็นนิสัยแต่มันไม่ใช่มีแค่นั้นคนที่ทำธรรมะให้มันกลมเกลืนไปกับชีวิตทุกๆขณะได้คนนั้นน่ะจะ เป็นผู้ที่จะมีคุณสมบัติที่จะหลุดออกจากวงจรของความทุกนี้ไปได้แต่อยู่ดีๆเราจะมีสติทั้งวันตลอดทั้งวันใจสบายทั้งวันในหน้าที่การงานของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นการที่เราได้ลงทุนมาฝึก ลงทุนเวลามาฝึกแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีมากเจ็ดวันกับเวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยเราได้มีแนวทางมีทักษะที่ถูกตรงถูกต้องมากขึ้นและได้นำเอาไปปรับใช้ในชีวิตให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตของเราอันนี้เป็นสิ่งจำเป็น ธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในห้องปฏิบัติห้องฟังธรรมธรรมะมันอยู่กับเรา ท, ทุกทุกที่ในขณะที่พักเบรกก็ตามเราเดินไปเข้าห้องน้ำเรามีสติอยู่กับตัวเราหรือเปล่าหรือใจของเราเนี่ยหนีออกไปกลับบ้านแล้วหรือว่าเรายังเข้มแข็งพอที่จะดึงมันกลับมาดึงมันกลับมาไว้กับการ ฝึกหัดสำหรับคนที่ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาอยู่เพื่อที่จะถอดถอนความไม่รู้ตามความเป็นจริงก็อย่าทำเฉพาะในห้องทำให้มันทุกๆขณะของลมหายใจของเราเรามีลมหายใจเข้าเราก็พิจารณาไปเรามีลมหายใจออกเราก็พิจารณาไป เห็นว่ามันเที่ยงไหมล่ะเห็นว่ามันควรค่ากับการที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นมันตั้งได้จนนู่นชั่วกลับชั่วกันหรือเปล่ามันไม่มีอะไรที่ตั้งมั่นตั้งเที่ยงอยู่ได้ตลอดกลับตลอดกันหรอกไม่มีทุกอย่างเนี่ยมันมุ่งหน้าไปอยู่จุดเดียวกันนะทั้งนั้ น, นคือความแตกสลายหายไป อันนี้ก็เป็นคำอุทานของพระอญญากุัญะนะเป็นพระสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนานี้ที่ได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เข้าใจได้เข้าใจตามความเป็นจริงจนตาใจเนี่ยมันเปิดได้เปิดที่จะมาเห็นความจริง พอได้เห็นความจริงเท่านั้นแหละโอยมันอดทนทนไม่ไหวมันดีใจดีใจจนหนึ่งขนาดเปล่งอุทานนะเปล่งอุทานในความรู้ความเข้าใจที่เราได้รู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยยังกินจิสมุไดยธรรมมังสะบันตังนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปทั้งหมดเนี่ยมีความดับไปเป็นธรรมดา ความคิดก็ตามไอสิ่งที่เราหมายไว้ว่าโอ้ยนั่งไปมันปวดเหลือเกินมันจะตายให้ได้มันไม่ตายหรอกเดี๋ยวปวดมันก็หายไปหายจากไหนหายจากเราเปลี่ยนอิริยาบทบ้างหรือว่าเข้าสมาธิจนมีกําลังดีปวดมันหายไปก็ ม, กมีแต่เราไม่ได้ไปกาเกณฑ์หรอกว่าอ๋อมันจะหายไปไหนเรามีหน้าที่เป็นผู้ดูผู้รู้ เป็นผู้เฝ้าดูเฝ้ารู้ให้เห็นสภาวะต่างๆ ต, ตามความเป็นจริงแต่บางครั้งเฝ้าดูเฝ้ารู้เนี่ยมันก็มันจะต้องตามมาจากการที่เราได้ใคร่ครวญพิจารณาด้วยนะคือจะบอกว่าเฝ้าดูเฝ้ารู้อย่างเดียวบางครั้งไม่พิจารณาเลยอย่างเงี้ยสำหรับบางคนก็ขี้เกียจกันไปดูก็สักแต่ว่าดูรู้ไป ยิ่วชุยแฉกไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ดูไปเดินไปเราเห็นร่างกายเรามันเดินไหมเห็นร่างกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งไหมที่มันแยกจากกันใจเราเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ร่างกายมันก็เดินไปร่างกายมันก็นั่งไปพามันไปขับถ่ายพามันไปกินหรือถ้าเราอยากจะดูให้มันเข้มข้นกว่านั้น ข้างในหนังนี่มันมีอะไรล่ะท่านก็เปรียบไว้เหมือนถุงถุงห่อข้าวถุงหนังนะห่อข้าวมีข้าวหลายชนิดเลยข้าวสาลีข้าวพวกแยๆ่ๆแต่พูดอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงใจท่านก็เปรียบไว้อย่างสุภาพ น, นะแต่จริงๆแล้วมันก็ถุงขยะดีๆนี่เองข้างในถุงขยะเราก็กินไปมัอ มันก็เหมือนถังขยะใบหนึ่งนะถ้าเราเปิดออกมาเนี่ยอ้วกออกมาเนี่ยเราอยากจะเอาใส่เข้าไปใหม่ไหมละ่ะเราเห็นว่ามันสกปรกเราก็ไม่อยากใส่เข้าไปใหม่ถ้าเราเห็นด้ที่ออกมามันโสกปรกและที่ข้างในมันไม่โสกปรกเลยยังไงสกปรกแน่นอนแต่มันไม่ใช่ให้มันสโปรกเฉพาะความคิดอย่างเดียว แต่ให้มันสกปรกไปจนยันความรู้สึกในจิตใจของเราว่ามันเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดจริงๆนะอันนี้สำคัญแต่แน่นอนอ่ะบางครั้งมันยังไม่ได้ปรากฏเป็นความรู้สึกในใจก็อาศัยความภาคความเพียรไปดูมันร้อยครั้งดูมันพันครั้งดูมันหมื่นครั้งดูมันไปเรื่อยมันต้องเห็นแน่นอนขอแค่ว่าทาให้มันต่อเนื่องทาให้มัน จริงจังทำให้มันเข้มข้นเพราะเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันเอื้อเอื้อเราการให้เราจะพัฒนาความดีของเราได้อย่างรวดเร็วถ้าเราจะไปอยู่ในที่ทำงานแล้วเราก็จะมาปฏิบัติทําให้มันได้ดีพิจารณาแล้วมันแจ่มชัดแจ่มใสอยู่ในใจอย่างเงี้ยมันเป็นไปที่ค่อนข้างยาก เพราะว่าเรื่องราวต่างๆพัสสะมันก็มากมายแต่เราอยู่ในคอร์สปฏิบัติธรรมอย่างนี้เนี่ยโอกาสว่างก็มีเหตุปัจจัยต่างๆก็เป็นปัจจัยบวกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการที่เราไม่คุยกันเป็นการที่เร า, อ, าอยู่ในพื้นที่ที่มันเหมาะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไป อาหารเราก็มีพอประทางชีวิตมันเหลืออยู่อย่างเดียวเหลือแค่ความตั้งมั่นใส่ใจความจริงจังของเราที่เราจะตั้งหน้าตั้งตาทำไม่หยุดไม่หย่อนไม่ท้อไม่ถอยแต่สิ่งหนึ่งของการที่เราตั้งความเพียรอย่างไม่ท้อไม่ถอยเนี่ยก็ต้องคอยระมัดระวังนิดหนึ่งตรงที่ว่า อย่าให้ความอยากมันกลุ้มหัวใจของเราถ้าความอยากมันกลุ้มหัวใจของเราแล้วใจเรามันย้ายย้ายจากเหตุไปอยู่ที่ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นทาไปทาไปมันยิ่งมีแต่เร่าร้อนนะเพราะฉะนั้นเราประครับประครองให้ใจของเราเนี่ยมันมีความยินดีพอใจในเหตุที่เรากำลังทำอยู่ วางใจไว้แค่ตรงนี้อย่าย้ายใจให้มันไปอยู่ในผลที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าเรามีความยินดีมีความพอใจในการที่เราได้ทำเหตุเนี่ยความเบิกบานมันเกิดขึ้นได้ในขณะที่เราทำความชื่มชื่นมันเกิดขึ้นได้ในขณะที่เราทำและสุดท้ายเราก็จะเห็นนั่นแหละว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกิดขึ้นมันก็ดับไปอารมณ์ในใจเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปแม้แต่อารมณ์สงบเนี่ยมันก็ยังมีความแปลเปลี่ยนปรวนแปลไปได้ในเมื่อ ม, มันมีอะไรที่มันแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่ตั้งเที่ยงตั้งมั่นเนี่ยควรแล้วหรือที่เราจะเอาใจของเราไปฝากเอาไว้ไปผูกเอาไว้ เพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เรามีก็คือปล่อยไปเรามีหน้าที่คือรู้มันเฉยๆรู้ว่าเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ตั้งอยู่ของมันไปอย่างนั้นแหละแล้วมันก็หายไปไม่ฝากใจไม่ส่งใจเข้าไปยึดไม่ส่งใจเข้าไปเกาะเกี่ยวกับมันแต่ถ้ามันเกาะเกี่ยวอยู่เราก็มีหน้าที่ที่เราจะถอนความรู้สึกของเราย้อนกลับ ย้อนกลับม า, ม า, ม, ามาดูมารู้มาเป็นผู้ดูมาเป็นผู้รู้การที่เราถอนความรู้สึกของเราออกมาได้เนี่ยมันก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเราจะมีคุณสมบัติของการที่เราจะปล่อยวางได้ย้อนกลับมาจากไหนย้อนกลับมาจากอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆย้อนกลับมา ไว้ที่สติเฉพาะหน้าย้อนกลับมาไว้ที่ผู้รู้สติเฉพาะหน้าตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ให้ฝึกสติให้อย่างเข้มข้นฝึกสติใจสบายดีแล้วก็หมั่นมาพิจารณาบ้างนั้นก็ให้ฝึกต่อไปแบบนี้